ลูกทำงานดันเพราะอยากเห็นแม่ ลูกค้าทําสานขอเพื่อแม่ทุก อาสินืนมาทุกใจซื้อมาชาอาหารอร่อยถูกปากแม่อย่าหามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรงไว้ก่อลูกชายในวันที่กลับคืนมา ลูกทํางานตากเพราะอยากเห็น ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่